วันนี้ความรู้เมื่อเราทาไปมากขึ้นมากขึ้นมันจะรู้ขึ้นมารู้จักเรื่องรูปนามรก็ไม่ต้องพูดอะไรมากครับเมื่อรู้จักรูปนามดีแล้วคือลู้รูปทำนามทมลูกโลกนามโลกรู้ทุกขังอนิจังอนัตตารู้สมมุติรู้ศาสนา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 ให้มันคิดมันยิ่งคิดเดรายิ่งรู้แต่ทาคมรู้สึกให้มากอย่าหยุดการทาคมรู้สึกแต่อย่าแห่งเมื่อคมคิดเป็นมากขึ้นมากขึ้นผมรู้ก็มากขึ้นมากขึ้นเทียบเท่าทันกันเข้าคมคิดตั้งจะลดน้อยไปแบ น, นี้ตัวคมรู้จะมากขึ้นมากขึ้น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 ก็ตามต้องหาวิธีแก้ไม่ต้องนอนอนี้ครับถ้ามันเกินควรมันอยากนอนจริงๆเอานอนจากนิดเดียวเท่านั้นกน็ได้ครับแต่กลางคืนต้องนอนเต็มที่ในเกณฑ์สองทุม่มสามทุ่มก็ต้องนอนเลยครับนอนมากในนอนได้เต็มที่เราตื่นขึ้นมาแบบก็ต้องมาทํา้อมเพียงทําอย่างนั้นเลยครับ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 แต่มันรู้จิตใจนิ่มนิมเรีว่าใจดีอันนี้ลักษณะใจดีแต่ไม่ไม่เป็นลักษณะดีใจอันนี้ให้เรารู้จักอย่าง น, นี้แล้วความหนักคุกหนักใจนั่นจะเบาขึ้นมามีความสว่างภายนาใน จ, จิตใจเป็นอย่างนั้นแต่ไม่สสว่างคือเราใต้เทียนอย่างนี้คันมันเบาใจหรือว่าเห็นเป็นทางไปครับ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 เป็นปรามัดครับรู้อันนี้ครบจบทุ่นผีเทวดาให้รู้ผีก็คือคนทําชั่วพูดชั่วคิดชั่วนี่เองเทวดาก็คือคนพูดดีทดําดีคิดดีนั่นเองนี่ว่าโอตระปะนี่เองมีความละอายแก่ใจนี่เรียเป็นเทวดาครับเมื่อรู้อันนี้แล้วก็รู้าศาสนา าศาสนาแปลว่าคําสั่งสอนของท่านโพรู้ใครรู้เรื่องอะไรก็นําเรื่องนั้นมาสอนเรียกว่าศาสนาศาสน า, า, ส า, าคือจิตตัวคนทุกคนไม่ยกเว้นคําว่ า, าศาสนาพุทธศาสนาเลยพุทธจึงแปลว่าผู้รู้รำเห็นธรรมเข้าใจรำคือตัวสติตัวปัญญานั่นแหละเป็นพุทธ อันพูดนี่เป็นเรื่องผองปัญญานะครับปัญญาจะเป็นการรู้แจ้งรู้จริงคนจะล่วงผู้บิดเพาะปัญญาอันนี้เนีเ่ยปัญญาญาณของวิปัสสนาญาณแปลว่าเข้าไปรู้จะเป็นปัญญาญาณเข้าไปรู้คือรู้ที่ตัวเรานี่เองครับเมื่อรู้พุทธศาสนาแล้วก็ ร, รู้บาลรู้บุญบาลก็คือมืดตื้ออยู่ภายในจิตใจนั่นเองครับ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 ให้มันมีความรู้ตึกไม่น้อยเบาเๆนะครับวันนี้มันคิดมาเราไม่อยากให้มันคิดมันต้องคิดอันนี้ให้มันคิดมันยิงคิดโกอดยิงรู้มากขึ้นรู้มากขึ้นมากขึ้นมันจะทันกรมคิดอ้าสมมุติให้ฟังมันคิดลอยเรื่องเราจะรู้เรื่องเดียวทีแรกวันนี้มันคิดลอยเรื่องเราจะรู้ถึงสิท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 รู้เข้าใจสัมผัสแนบแน่นดีว่าญาณของปัญญารู้อันนี้ครับบางคนจะเห็นรู้โทสะก่อนบางคนก็จะรู้เห็นโมหก่อนบางคนก็จะรู้เห็นโลภะก่อนครับในเปลี่ยนรู้แล้วไม่ต้องหลงไม่ต้องลืมเราต้องดูต้องรู้ต้องเห็นอันนี้วันนี้รู้ครบจบทั้วนแล้วอันนี้แล้วก็รู้เห็น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 อันนั้นเป็นสมถกรรมาฐานวิปัสสนากรรมาฐานวิปัสสนาแปลว่าเห็นแจ้งรู้จริงเข้าใจจริงด้วยญาณของปัญญาเรียกว่ปัญญายานญาณจริงว่าแปลว่าเข้าไปรู้เป็นพาหานะสักนิดหนึ่งขนส่งนรยกว่าขนส่งนียว่าเป็นปัญญายานเข้าไปรู้รู้ก็ต้องรู้แบบ น, นี้มันจะ